เพราะฉะนั้นเมื่อสรุปลงแล้วผู้เผยแพร่ธรรมะในปัจจุบันเนี่ยมุ่งแต่วัตถุ ก, กับบุคคลส่วนคุณธรรมจะเป็นอย่างไรฉันไม่สนใจขอให้ฉันหลอกลวงคนให้มันหลงเชื่อให้ได้มากๆนั่นเป็นดีสำหรับพระสงค์ในปัจจุบันนี้